นนะเวลามาวัดป่าสุกโตก็จะบอกคนที่บ้านหรือบอกเพื่อนๆว่าจะมาปฏิบัติธรรมหรือบางทีถ้ามีคนถามว่าไปวัดทำอะไรนะบอกไปปฏิบัติธรรมที่จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันทําที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องมาวัดป่าสุกโตจึงจะปฏิบัติธรรมได้อยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติธรรมได้ หรือที่ทํางานก็ปฏิบัติธรรมได้เพราะว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาเข้าคอร์สที่จัดโดยวัดหรือจัดโดยที่ไหนขึ้นชื่อว่าการนำธรรมะไปปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าธรรมะข้อใดก็เรียกเป็นปฏิบัติธรรมได้ทั้งสิน้นเช่นการให้ทานความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้ก็ปฏิบัติธรรมรวมทั้งการรักษากายวาจาไม่ให้ไปเบียดเบียนใคร คือรักษาศีลห้ามันก็เป็นปฏิบัติแต่ส่วนใหญ่เวลาพูดถึงปฏิบัติธรรมเราก็มักนึกถึงภาวนาหรือการฝึกจิตส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยนึกว่าทาและศีลก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันที่จริงหลายคนก็คงจะรู้นะว่าปฏิบัติธรรมมันมีความหมายกว้างแต่ว่าเวลาจะพูดให้คนเข้าใจว่าเนี่ย จะมาเจริญสติปัฏฐานจะมาเจริญสตินะเราก็ใช้คําว่าปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าใจง่ายๆแต่ก็แม้ ว, ว่าปฏิบัติธรรมเราจะมีความหมายเจาะจงไปถึงการภาวนาหรือว่าการาบําเพ็ญทางจิตเราก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การ มาฝึกจิตให้มีธรรมเท่านั้นนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยในระดับของการภาวนาเนี่ยความหมายนียก็คือการฝึกจิตให้มีธรรมเช่นฝึกจิตให้มีสติฝึกจิตให้มีสมาธิฝึกจิตให้มีปัญญาในที่เรามาที่นี่เนี่ยนะเราก็มาปฏิบัติธรรมในความหมายเนี่ยคือมาฝึกจิตให้มีสติให้มีความสึกตัวแต่ว่าปฏิบัติธรรมมันมีอีกความหมายหนึ่งนะ ไม่ใช่แค่การฝึกจิตให้มีธรรมแต่ยังรวมไปถึงการใช้ธรรมเพื่อกํากับจิตหรือเพื่อรักษาจิต ด, ด้วยอันนี้สําคัญกว่านะไอฝึกจิตให้มีสติให้มีธรรมเนี่ยก็สําคัญแต่นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นสย่างสำคัญกว่าคือการนำธรรมะไปกํากับจิตหรือไปรักษาจิต ธรรมะที่ว่านี่ก็อาจจะได้แก่สติสมาธิความสึกตัวหรือว่าปัญญาก็ได้ปฏิบัติธรรมในความหมายนี้เนี่ยมันมันไม่ได้จอดจ้งไว้ต้องมาทำที่วัดนะอยู่ที่ไหนก็จำเป็นที่จะต้องนำธรรมะที่ฝึกมาเนี่ยไปใช้ในการรักษาจิตรักษาจิตไม่ให้ทุกข์แล้วก็กากับจิตไม่ให้กิเลส มันครอบงำกำกัดพาเราเข้ารถเข้าพงหรือพาเราไปจมอยู่ในความทุกข์เพราะว่าผิดศีลผิดธรรมไน่้ต้องเข้าใจปฏิบัติธรรมในความหมายนี้ด้วยเพราะถ้าเข้าใจปฏิบัติธรรมแต่เพียงว่าฝึกจิตให้มีธรรมเนี่ยมันก็ต้องมาลงเอยกันที่มาวัดมาปฏิบัติธรรมหรือไปเข้าคอร์สแต่ถ้าหากว่า ปฏิบัติธรรมหมายความถึงการเอาธรรมะมาใช้รักษาจิตหรือกากับจิตเนี่ยมันก็หมายถึงว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่บนท้องถนนเราก็จำเป็นต้องปฏิบัติธรรมเพราะว่าเวลาไปอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานหรืออยู่ที่โลกภายนอกเนี่ยเราจะเจอสิ่งกระทบหลายอย่าง กระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายต้องเจอรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจไม่ถูกใจที่ทางพระเรียกว่าอนิจจารมหรือมิฉะนั้นก็เจอโลกธรรมฝ่ายลบซึ่งไม่มีใครชอบนะโลกธรรมฝ่ายลบ ก, ก็คือเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกดินทาแล้วก็เจอกับความทุกข์ตรงนี้แหละนะที่การปฏิบัติธรรมเนี่ยสำคัญมากเพราะมันเป็นการเอาธรรมะมาใช้ ในการรักษาจิตในการกํากับใจรักษาจิตไม่ให้ทุกข์กากับจิตไม่ให้กิเลสมันชักนำไปไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะหรือพอเวลาเจอสิ่งยั่วยุที่ชวนให้โกรธเกลียดหรือเย้ายวนให้มีความโลภหรือเกิดราคะไอ้พวกนี้พอ มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ใจเป็นทุกข์รุมร้อนแล้วก็สามารถที่จะชักนำให้เราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมซึ่งเป็นการหาทุกข์มาใส่ตัวหรือสร้างความเดือดร้อนใจให้เราเข้าใจปฏิบัติธรรมในความหมายนี้ซึ่งก็หมายความว่าไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเจออะไรเราก็ปฏิบัติธรรมได้แล้วก็จำเป็นต้องปฏิบัติธรรมด้วยเพราะถ้าเราไม่เอาธรรมะ ม, มาใช้ ในการรักษาจิตกำกับใจเราก็จะทุกข์ด้วยความโกรธด้วยความเกลียดหรือว่าถูกความโกรธความเกลียดความโลภมันพาเราเข้ารถข้อพงไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมผิดศีลผิดธรรมในการปฏิบัติธรรมในความหมายนี้สำคัญนะแต่ว่าคนมักจะมองคนมักจะเข้าใจปฏิบททัติธรรมแต่ในความหมายที่ว่าฝึกจิต ฝึกจิตให้มีสติฝึกจิตให้สงบอันนั้นเป็นการแค่ซ้อมนะมนเป็แค่การซ้อมการตากเตรียมเพื่อเราพร้อมในการไ ป, ปรเผชิญกับโลกภายนอกได้โดยใจที่ไม่ทุกข์นะแล้วก็ไม่ไปสร้างทุกข์ให้กับใครว่าคนเราเนี่ยไม่เข้าใจนะว่าปฏิบัติธรรมในความหมายที่สองเนี่ยคือการนำธรรมะไปใช้เพื่อรักษาจิตกำกับใจ ที่จะเพียงว่าปฏิบัติธรรมก็คือการฝึกจิตให้มีธรรมหรือฝึกจิตให้มีสติฝึกจิตให้สงบให้มีสมาธิก็เลยมักจะมีปรากฏการณ์ประเภทว่าเวลาเข้าคอร์สก็มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งแต่เวลากลับไปบ้านกลับไปที่ทํางานก็มีพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งตอนที่อยู่ในคอร์สก็อาจจะสงบนะสำรวมแต่พอกลับไปบ้าน แล้วก็เกิดอาการสติแตกเกิดอาการโกรธชุนเฉียวหงุดหงิดอย่างเช่นบางคนเนี่ยพอมาตอนที่มาเข้าคอร์สเนี่ยก็มาฝึกจิตให้สงบแต่พอจบคอร์สไปก็ลืมไปว่ากลับไปบ้านนี่มันก็ต้องปฏิบัติธรรมนะก็คือใช้สติในการรักษาใจให้สงบให้เป็นปกติเช่นเวลาเจอลูกเนี่ย คุยเสียงดังทำบ้านเลอะเทอะหรือว่าทิ้งของไม่เป็นที่นะก็ต้องรู้จักรักษาใจให้เป็นปกตินะไม่ใช่อรารวาดนะกลาดเกลียวนะหรือว่าโวยวายใส่ลูกด้วยความโกรธแล้ว ม, มันคนละคนละอาการกับตอนที่เข้าคอร์สเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะลืมไปว่าเนี่ยในตอนที่เจอลูก คุยเสียงดังวางของไม่เป็นที่ทําบ้านเลอะเทอะนั่นแหละนะคือเวลาที่สำคัญส ร, รการปฏิบัติธรรมแนละ้วก็คือว่ารักษาใจเอาธรรมะเนี่ยเอาสตินี่แหละมารักษาใจนะไม่ให้ทุกข์ไม่ให้โกรธไม่ให้โวยวายเพราะความลืมตัวในการแนะนำสั่งสอนนี่ก็ควรทานะแต่ก็ทําอย่างมีสติไม่ใช่ทาด้วยความโกรธ แต่คนจำวนมากเนี่ยพอไปเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมมันมีความหมายเพียงแค่การฝึกจิตไม่ได้รวมไปถึงการเอาธรรมะมาใช้ในการรักษาจิตเวลาเจอสิ่งกระทบโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ถูกใจมันก็เลยมีพฤติกรรมที่เรียกว่าสวนทางกันแล้วก็มีการพูดกันอยู่บ่อยๆนะว่าเนี่ย เวลาพ่อหรือแม่นี่กลับมาจากคอสกลับมาจากการปฏิบัติธรรมนี่ลูกๆ ก, ก็เตรียมงานเข้าได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่กลับมาพ่อกลับมาก็จะบนก็จะเท่ก็จะว่าไอตอนที่ไม่เข้าคอสนี่นะไม่เท่าไหรนะแต่พอเข้าคอสกลับมานี่อารมณ์จะหงุดหงิด จ, จะหัวเสียมากเป็นพิเศษเพราะอะไรนะเพราะว่าเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเจอสิ่งที่ไม่เป็นไป ตามคาดคาดหวงังหรือว่าเจอสิ่งที่มารบกวนความสงบพอจิตไม่สงบก็เกิดความหงุดหงิดพอหงุดหงิดไม่รู้ทันความหงุดหงิดนั้นก็ระบายความโกรธใส่ลูกใส่คนที่บ้านอันนี้คขาลืมไปว่าเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องทำตรงนี้ด้วยหรือทำที่นี่ด้วยก็คือเวลาเจอสิ่งที่ไม่ถูกออกถูกใจ นะก็รู้จักวางใจได้ถูกนะรักษาใจถูกต้องรักษาใจให้เป็นปกติไม่ถูกความโกรธนะความขุนมัวครอบงำแล้วนะถ้าเราเข้าใจปฏิบัติธรรมว่ามันคือการเอาธรรมะมาใช้ก่การรักษาจิตเนี่ยเราก็จะรู้รู้ตระหนักว่าอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้น แล้วก็จำเป็นด้วยเพราะว่าเวลาอยู่ในโลกภายนอกเนี่ยแม้แต่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีสิ่งไม่ถูกอกถูกใจเกิดขึ้นอยู่เนืองเนืองและที่จริงเนี่ยแม้จะมีสิ่งกระทบถ้าเรารู้จักวางใจให้เป็นโดยใช้ธรรมะที่ฝึกมาเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะ เจออากาศร้อนเจอรถติดเจอคําต่อว่าด่าทอติชิ้นนินทาเจอคนกันแกล้งนะเจออุปสรรคมันไม่ใช่ว่าจะต้องทุกข์เสมอไปโดยพราเธอรู้จักใช้ธรรมะโดยพราสติเนี่ยมารักษาใจเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะม่ใช่ว่าเจออนิจจารมเจอ รูปรถกินเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจแล้คนเราจะทุกข์มันไม่ทุกข์ง่ายๆหรอกถ้าว่าเอาธรรมะที่ฝึกไว้เนี่ยนะมาใช้ในการรับมือนะกับสิ่งกระทบเหล่านั้นหรือที่ถือว่าที่ถูกก็คือเอาธรรมะมาใช้รับมือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบเช่นพอมีคนตอว่าดาวพอติดชินินทาเกิดความไม่พอใจ ก็เห็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นรู้ทันมันไม่ปล่อยให้มันครอบงำหรือลุกลามจนกลายเป็นความเกลียดเจอสิ่งเย้าวยวนเห็นสินค้าอยากได้อยากซื้อนะทั้งที่ก็มีเยอะแล้วมีความโลภนะแต่ว่ามีสติรู้ทันก็ไม่ปล่อยให้มันมาครอบงำใจนี่คือปฏิบัติธรรม เวลารถติดนะแต่ว่ารักษาใจไม่ให้งุดหงิดไม่ให้อารมณ์เสียนี่คือปฏิบัติธรรมแล้วเพราะมันคือการเอาธรรมะมาใช้ในการรักษาจิ ต, ตถ้าเรารู้จักปฏิบัติธรรมในความหมายนี้เจออะไรเนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์ง่ายๆนะเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ที่ว่า เจออะไรสิ่งสําคัญกว่านะั้นคือว่าทำอย่างไรกับสิ่งที่เจอเช่นเสียงเสียงดังเสียงดังไม่ทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่รู้สึกลบกับมันคนมักจะคิดว่าเนี่ยที่ทุกข์เพราะเสียงดังแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกคือ ท, ทุกข์เพราะเรารู้สึกลบกับมันต่างหาก อย่างมีโยงคนหนึ่งเนี่ยนะมาปฏิบัติธรรมมาฝึกสติที่วัดแห่งหนึ่งคืนแรกเนี่ยแกนอนไม่ค่อยหลับเลยนะแกบอกหลวงพ่อในเช้าวันรุ่งขึ้นนะนอนไม่ค่อยหลับเลยเพราะอะไรอะ่ะเขาบอกหานมันร้องเสียงดังจนกระทั่งถึงตีหนึ่งตีสอง ตอนหลังก็ขึ้นมาได้ว่านในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีอัดเทปคําบรรยายของครูบาอาจารย์หลายท่านก็แล้วหูฟังเนี่ยเสียหูแล้วก็เปิดฟังคําบรรยายครูบาอาจารย์ปรากฏว่าหลับได้นะจนเช้าเลยอาจารย์ก็เลยถามว่าเนี่ยตกลงที่นอนไม่หลับเนี่ยเพราะเสียงดัง หรือเพราะอะไรกันแน่เพราะถ้าบอกเสียงดังเนี่ยนะไอ้เสียงธรรมะของครูบาอาจารย์เนี่ยมันดังกว่าเยอะเลยนะเพราะว่าเอาหูฟังเนี่ยเสียหูทําไมฟังเสียงครูบาอาจารย์เนี่ยทั้งที่เสียงดังกว่าเสียงห่านแต่ทําไมหลับเสียงห่านเสียงเบาวกว่าทําไมนอนไม่หลับ มันไม่ใช่ว่าความดังหรอกเป็นเพราะความรู้สึกบวกหรือลบต่อเสียงที่ได้ยินเป็นเพราะรู้สึกลบกับเสียงหา่างเลยหงุดหงิดลำคาญจึงนอนไม่หลับแต่พราะรู้สึกดีกับเสียงครูบาอาจารย์เสียงธรรมะมันก็เลยหลับไม่เกิดความหงุดหงิดลำคาญนี่เป็นตัวอย่างนะทุขหรือทุกข์เนี่ยในใจเราเนี่ยมันไม่ได้ที่ว่าเราเจออะไร แต่หมอยที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือเราปฏิบัติกับมันอย่างไรเนะสียงดังแต่เรารู้สึกดีกับมันนะเราก็ไม่หงุดหงิดเสียงเบาอาจจะเป็นเสียงไพเราะด้วยซ้าแต่เราไม่ชอบรู้สึกรบกับมันเราก็เกิดความหงุดหงิดนะเช่นเสียงเริงโทนจากโทรศัพท์มือถือบางทีก็พราอนะแลนะเสียงอาจจะไม่ดังเท่าไหร่ แต่พอมันดังในศาลาเนี่ยเราจะรู้สึกหงุดหงิดเลยไม่ใช่เพราะความดังของมันแต่เพราะว่าเรารู้สึกลบกับมันเวลามีใครทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยและเรารสึกไม่ชอบรู้สึกหงุดหงิดเนี่ยมันไม่ใช่เพราะการกระทาของเขาหรอกแต่เป็นเพราะความรู้สึกในใจของเราต่อสิ่งนั้น หรือความคาดหวังเราคาดหวังเขาอย่าให้เขาเป็นหรือทำอย่างอื่นแต่พอเขาไม่ได้ทำอย่างที่เราคาดหวังเราก็เลยเกิดความไม่พอใจเราไปโทษว่าเขาเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ของเราแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกมันเป็นเพราะความยึดมั่นในความต้องการของเรา ยึดมั่นในความปรารถนาของเราพอเข้าไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการไม่เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเราก็เลยเกิดความขัดอกขัดใจเกิดความเสียใจเกิดความน้อยใจเกิดความโกรธแล้ตรงนี้แหละการปฏิบัติธรรมมันมาสาคัญเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการเอาธรรมะมากํากับจิตมารักษาใจของเราแทนที่จะไป ม, มุ่งเปลีป่ยนแปลงคนอื่นหรือจัดการสิ่งภายนอก เราเอาธรรมะมาจัดการกับใจของเราหรือเอามาใช้ในการรับมือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่มารักษาใจให้มีความรู้สึกเป็นบวกกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออารมณ์ที่มากระทบแต่มันอาจจะรวมไปถึงการรักษาใจให้เป็นกลางๆหรือรู้สึกเป็นกลางๆต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้เสียงดังแต่ถ้าเรารู้สึกเป็นกลางๆ ก, กับมันใจเราก็ไม่ทุกข์ หรือแม้กระทั่งคำติชินนินทาแต่ถ้าเรามองว่าเออมันมีประโยชน์นะมันเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจเราเป็นเครื่องฝึกสติทำให้เรามีความขันติมีความอดทนมากขึ้นแล้วก็ไม่งุนงิดนะไม่โวยวายตีโพยตีพายเมื่อเจอเสียงเหล่านั้นนี่คือการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะ แต่แน่นอนนะการที่เราจะมีความสามารถอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการฝึกจิตนะนั่นคือเหตุผลที่เรามาปฏิบัติกันที่นี่บ้างที่นั่นบ้างนะเรามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการฝึกจิตให้มีธรรมเช่นฝึกจิตให้มีสติอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะถ้าเราไม่ฝึกจิตให้มีธรรม หรือฝึกจิให้มีสติเราก็ไม่มีสติหรือเราก็ไม่สามารถจะใช้สติในการรักษาใจเวลาเจอสิ่งที่มากระทบหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจได้เช่นการสูญเสียคนรักของรักหรือว่าความเจ็บความป่วยให้เราตระหนักนะว่าเวลาเจอ เหตุการ์เหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตเป็นธรรมดาของโลกนี่นั่นแหละคือโอกาสสำหรับการปฏิบัติอย่าไปคิดว่าเราปฏิบัติธรรมเฉพาะเวลามาเข้าคอร์สเวลามาอยู่วัดเพราะถ้าคิดแบบนี้เวลาเราออกไปอยู่กับโลกภายนอกเราก็จะปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์ที่มากระทบดีใจเสียใจ นะขึ้นลงปราบพื้มปิติหรือว่างุดหงิดหัวเสียแล้วก็มีจานวนไม่น้อยเนี่ยนะที่เป็นอย่างนั้นทนั้งทั้งที่อุตส่ามาวัดเพื่อมาเข้าคอร์สมาปฏิบัติธรรมแต่เข้าใจปฏิบัติธรรมในความหมายของการฝึกจิตให้เข้าใจว่านี่คือการซ้อมนะเหมือนนักกีฬาเนี่ยมันต้องซ้อม แต่การซ้อมกับลงสนามจริงนั้นเป็นคนละอย่างเรามาที่นี่เนี่ยเพื่อมาซ้อมเพื่อมาสร้างเสริมทักษะสร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้กับจิตเพื่อที่เราจะออกไปรับมือกับโลกภายนอกและการมาฝึกสติที่นี่เนี่ยนะมันมาฝึกให้เรารู้จักรับมือกับอารมณ์ที่ไม่ชอบ อันนี้สำคัญนะอารมณ์ที่ไม่ชอบเนี่ยอารมณ์ที่เป็นลบมันไม่ได้มันไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเราเจออะไรก็ไม่สำคัญตั้ากตว่าเราทากับมันอย่างไรความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นระหว่างเดินจงกรมระหว่างสร้างจังหวะระหว่างการฝึกจิตเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะปัญหาอยู่ที่ว่าเรา ปฏิบัติไม่ถูกต้องกับสิ่งเหล่านี้และการมาฝึกสติที่นี่มาฝึกเพื่อให้เรามารู้จักวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่ผักสายไม่กดข่มความคิดที่ฟุ้งซ่านแม้จะเป็นความคิดที่เรไรา่าดไม่ไปกดข่มความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นแต่เพียงแค่รู้ทันมัน เพียงแค่เราไม่ไปยึดติดถือมั่นไม่ไปผักสายกดข่มมันเพราะถ้าเราทําำแบบนั้นมันนั่นแหละคือที่มาของความทุกข์เพราะเรายิ่งกดข่มมันนะเราก็ยิ่งญหงุดหงิดที่ทําไม่สําเร็จแล้วเราก็เครียดความโกรธความขุนเครื่องเนี่ยนะมันไม่ได้ทําให้เราทุกข์ถ้าเราเห็นมันถ้าเรารู้จัก วางใจเป็นกลางกับอารมณ์เหล่านี้หรือถ้าเราไม่ยึดติดถือมันในอารมณ์เหล่านั้นมันก็ไม่ทําให้เราทุกข์ได้แต่เพราะเราเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นเราจึงทุกข์และการฝึกสติเนี่ยก็คือการมาฝึกใจให้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเราห้ามมันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้ เหมือนกับเราห้ามเสียงดังอากาศร้อนคําต่อว่าด่าทอไม่ให้เกิดขึ้นกับเรานี่ยากแต่เราสามารถที่จะรับมือกับมันรู้ทันมันและไม่ปล่อยให้มันเนี่ยมาบีบคั้นหรือว่าย่ำดีจิตใจได้อาการที่เราจะ ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายนอกภายในให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรามันเป็นเรื่องยากนะแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรารู้จักนำธรรมะมารักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์เพราะมันเราทาได้เฉพาะถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะวางใจหรือมีท่า ท, ทีที่ถูกต้องกับสิ่งเหล่านั้น มันมาแต่เราไม่ยึดมีแต่ไม่เอาเนะเกิดขึ้นแต่รู้ทันถ้าทำนี้ได้เนี่ยใจก็เป็นปกตินะสงบสงบไม่ใช่เพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะแต่สงบเพราะว่าเราวางใจได้ถูกต้องเพราะใช้สตินะมารักษาใจ